หม่อมราชวงหญิงดาลินกล่าวออกมาปนหัวเราะน้อยๆเห็นครั้งแรกพูดกันสองคำก็รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยศโสพอๆกับเลือดเย็นหล่อนหันมาทางนายอัมพลอย่างน้อยคุณก็คงจะพอทราบประวัติของเขามาบ้างถ้าบอกให้เราได้รู้ไว้ก็จะเป็นการดีอดีตของเขาความเป็นมาอัมพลยิ้มอย่างสุภาพแล้วก็ตอบเรียบๆว่า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 เป็นการสืบเชื้อสายโดยที่เขาก็ไม่อาจไม่ตั้งใจหรือรู้ตัวมาก่อนพูดภาษาชาวป่าได้ทุกแขนงและเดินป่าได้เหมือนพวกเราเดินไปตามถนนราชดำเนินคำบอกเล่าของผู้อำนวยการบริษัทไทไวท์ไรท์ทำให้ทุกคนฟังะตะลึงพึงเพ้อไปในบัตรนั้นอกแตกตายหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินอุทานออกมาตาพานไพใจจการ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 ดูเหมือนเขาจะยกมือขึ้นแตะ ก, กับปีกหมวกราศา ส, ส่งการคารวะน้อยๆมาให้เกรอนดารินกัดริมฝีปากจ้องจนรับตาไม่น่าเชื่อเลยมิน้าล่ะพูดจาเลี้ยล์รสสำคัญนะักแต่ตีหน้าเซื้อทึ่มอย่างสนิทพี่ใหญ่คะเปลี่ยนพานำทางใหม่เถอะคืนเอาคนคนนี้นำทางมีหวังทะเลาะกับน้อยฆ่ากันตายสิก่อนกลางทางแน่แน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 ฉันเองก็สังหรณ์แต่แรกแล้วชัยยันว่าสังเกตดูลักษณะการพูดจาคุณรับพินเป็นคนที่มีการศึกษาดีไม่ใช่พรานพื้นบ้านอย่างที่เราเข้าใจกันแต่แรกว่าแต่น้อยเถอะทำไมถึงไปคอมเมนตเขาทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ชีวิตของเราทั้งหมดกำลังจะฝากอยู่กับเขาไม่รู้ฉันไม่ถูกชะตาเลยในพรานพลายคนนี้พูดจาไรขวางหูพิรึกหม่อมราชวงหญิงคนสวยตอบสะบัดสะบัด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 ทำให้ผู้อำนวยการบริษัทไทไว้์ไรท์ให้การรับรองแขกของเขาอย่างเป็นอย่างดียิ่งวันรุ่งขึ้นก่อนเที่ยงเล็กน้อยขณะที่ทุกคนนั่งสนทนากันอยู่ในห้องนั่งเล่นโดยมีนายอําพลเจ้าของบ้านร่วมอยู่ด้วยระพินภัยวันก็โผล่เข้ามาตามเวลานัดวันนี้จอมพราดูเหมือนจะเรียบร้อยสดใสกว่าภาพที่อยู่ในชุดเดินป่าอันขมุขขมอมเหมือนที่เห็นเมื่อวาน หนวดคราวอันเขียวกรึ้มถูกโกนเกลี้ยงทำให้มองเห็นผิวหน้าสีทองแดงได้ถนัดขึ้นทุกคนต้อนรับทักทายเว้นไว้แต่หม่อมราชวงศ์หญิงดารินผู้มองดูเฉยเฉยแม้ว่าเขาจะหันไปก้มศรีรษะให้เป็นการคารวะตามธรรมเนียมวันนี้หลอนอยู่ในเชิ้ตโบโรและกางเกงผ้ายืดรัดรูปทรงสีดอกตะแบกแจ่มเจิดเลดรักหน้าพิสงแต่มันดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะพานไพรใจฉากาศที่หลอนว่าไม่เคยแสดงความตื่นเต้นสนใจอะไรเลยสักนิดผิดกับผู้ชายสามัญธรรมดาที่หลอนเคยพบเห็นมานักต่อนักสอนศีลไม่กินกันเลยอิตาผานต่าคนนี้หลอนบ่นอุบอิบอยู่ในลำคอคนเดียวแล้วโฉบหางตาคอนให้อย่างไม่มีเหตุผลคนถูกคอนคงไม่เห็นพะโมแต่พูดอยู่กับคนอื่น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 ขณะนี้ระพินภัยวันอัดควันบุหรี่รึกและปล่อยให้มันค่อยๆระบายออกมาจากปากและจมูกตาสีเข้มของเขาท่อจับไปยังหัวกระทิงขนาดใหญ่ซึ่งสตัฟติดประดับไว้กับฝาผนังห้องคงไม่มีอะไรขัดข้องไม่ใช่หรือครับคุณระพินผู้อำนวยการบริษัททายไว้ร้อันเอาใจช่วยคณะที่มาจากกรุงเทพกล่าวมาพร้อมกับหัวเราะเบาๆขอให้ผมได้ถามย้ำอีกสักครั้ง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 นายอำพลพลอยตื่นปิติแสดงความยินดีกับทั้งสองฝ่ายหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเพียงแต่ยิ้มมุมปากใช้หางตาจับอยู่ที่พรานใหญ่เงียบๆ เ, เอาละครับรพินพูดยิ้มกล้า น, านมองผ่านไปยังทุกคนไหนๆผมก็ได้ตกลงรับจ้างนำทางในครั้งนี้แล้วก็จะขอบอกกับคุณตามสัตว์จริงคือผมไม่คิดเลยว่า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 คำพูดของเขาสร้างความเงียบงันให้แก่ทุกคนด้วยความรู้สึกภายในที่ไม่อาจทายถูกหม่อมราชวงศ์เชษฐาคงมีสีหน้าขรึมสงบเยือกเย็นเหมือนเดิมพันตีชายยานกระพริบตาหายใจขัดกัดรู้สึกไม่ปลอดโปร่งนักหม่อมราชวงศ์หญิงดารินเ ม, ม้มริมฝีปากส่วนนายอัมพลทางทา ง, ท, างที่เขาเองไม่มีส่วนร่วมด้วยในการเดินทางครั้งนี้ยังถึงกับหน้าซีด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 คือคุณชายเชษฐาและพันตีชายยันกระมือท่านทั้งสองอยังกล้าเสี่ยงทำไมเราคนอย่างผมจะไม่กล้าคำตอบของเขาทำให้รอนอึง่งฉันคิดว่าพรุ่งนี้เราควรจะกลับกรุงเทพจัดเตรียมอะไรเสียให้พร้อมแล้วก็กลับมาที่นี่โดยเร็วที่สุดพร้อมกับทนายความเพื่อทำสัญญาเป็นรายรักอักษรให้คุณรพีนสบายใจเสียจะได้จัดเตรียมการเดินทางต่อไปหรื อ, อยังไง ชายยันหันไปถามความเห็นเชษฐาอดีตทูตทหารบกก้มศรีรษะลงควรจะเป็นเช่นนั้นลงได้กตกลงกันเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็ควรจะออกเดินทางให้เร็วที่สุดแล้วก็หันมาทางจอมพรานผมจะรีบจัดการทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อเสนอเรียกร้องของคุณเร็วที่สุดขณะนี้ขอให้เรามาปรึกษาเรื่องการเดินทางกันเถอะเชษฐาชายยันแรบพิน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 กระปินขัดขึ้นโดยเร็วสีหน้าเคร่งขรึมคุณมีเหตุผลอะไรที่จะกีดกันไม่ให้ฉันไปด้วยเสียงแหลมของหญิงสาวสวนมาในทันทีทันใดนั้นหล่อนจ้องด้วยตาเป็นประกายดุกวาวความไม่พอใจสำแดงชัดผมไม่จำเป็นจะต้องอธิบายเลยในข้อนี้ทุกท่านรวมทั้งตัวคุณหญิงเองก็น่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้ไปปิกนิก น้ำเสียงของเขาห้วนเฉียบพอๆกับกรอนดาดินผุดลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นอย่าลืมว่าคุณเป็นลูกจ้างของเรานะใช่ผมเป็นลูกจ้างลูกจ้างที่จะต้องนำทางและพิทักษ์ชีวิตของนายจ้างทุกคนที่จะเดินทางไปในครั้งนี้แต่ผมก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเสพภาระหนักเกินไปนั่นก็คือการพิทักษ์ชีวิตของผู้หญิงด้วยอีกคนหนึ่งโดยไม่จาเป็นดาดินหน้าแดงก ำ, กำมือแน่น จ้องตาเขานิ่งอยู่เช่นนั้นอึดใจหนึ่งก็หัวเราะแค่นๆออกมาเดินมาที่ราวปืนไรเฟิลขนาดต่างๆซึ่งตั้งประดับอยู่ในห้องกระช้าขนาด30มสับสาแบบริเวอร์แอคชั่นปลิวติดมือขึ้นมากระบอกหนึ่งคว้ากล่องกระสุนซึ่งวางอยู่ในตู้กระจกใกล้ๆขึ้นมาเปิดช้าๆบรรจุลูกอย่างเยือกเย็นเข้าไปทีรนัดตายังมองจับอยู่ที่รพินเช่นนั้นครั้นแล้วพิบตานั่นเอง หลอนสะบัดตัวกลับหันออกไปทางหน้าต่างกระชากรีเวอร์หรือคานเวียงของไรเฟิลกระบอกนั้นส่งกระสุนขึ้นรำอย่างรวดเร็วแล้วเสียงปืนก็แผ่ระเบิดขึ้นกึกก้องจากนิ้วเรียวที่แตะไกลเปรียงเปรียงเปรีย ง, ยงสถานไปทั้งห้องลูกนุ่นดิบพวงหนึ่งจากต้นนุ่นที่ยืนอยู่ห่างหน้าต่างบานนั้นประมาณ40่เมตรปลิวกระเด็นดุดจากขั่วไปทีละรูป ในทุกครั้งที่หลอนปล่อยกระสุนออกไปนัดสุดท้ายหล่อนเลงตัดขั้วขาดหล่นมาทั้งพวงแล้วหล่อนก็หันกลับมาอกต่างานงามกระเพื่อมเป็นระลอกด้วยลมหายใจหอบเพราะความโกรธ ถ, ถามว่าเป็นไงฉันจะเป็นภาไดให้คุณต้องกังวลหนักใจมากไหมอย่าว่าแต่ปืนยิงนกยิงหนูกะบอกขนาดนี้เลยขนาดจุด458แอฟริกันแมกนัมหรือจุดนไนโตเอ็กซ์เพรส ฉันก็เคยร่าไกามันมาแล้วนี่ดีว่าวันนี้คุณโกนหนวดของคุณมาแล้วนะทำไมงั้นล่ะก็ในระยะร้อยหลาฉันจะช่วยถางหนวดคุณให้ด้วยลูกปืนไรเฟิลชนิดที่ไม่ทาให้ผิวของคุณต้องแสบเลยทุกคนตกตะลึงในความฉุนเฉียวของหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอัมพลพรากรถึงกับพงังะเพราะเขาไม่ทราบมาก่อนเลยว่า ราชสกุลสาวคนสวยจะสามารถยิงไรเฟิลได้ด้วยฝีมือเยี่ยมยอดถึงเพียงนี้พี่ชายกับเพื่อนชายรู้มือกันมาก่อนแล้วไม่ตื่นอะไรนะักแต่งานไปเพราะความเกรี้ยกลดอาราวาทพระพินภัยวันเฉยๆตอบเรียบๆด้วยสีหน้าตายของเขาตามเดิมว่าการยิงปืนแม่นของคุณหญิงไม่ได้เป็นประกาศนิยบัดหรือรับรองให้ผมแน่ใจว่า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 เมือนหนึ่งผู้ใหญ่ที่เมินเฉยต่ออาการต่อแยของเด็กที่มายืนกวนๆอยู่ข้างๆหันไปทางหม่อมราชวงศ์เชษฐาพูดขึ้นเบาๆผมขอเชิญคุณชายพบเป็นการส่วนตัวสักครู่เถิดครับว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินออกไปยังระเบียงด้านนอกเชษฐาลุกขึ้นตามออกมาโดยเร็วผมทราบว่าคุณกําลังต้องการจะพูดกับผมเรื่องอะไรหม่อมราชวงศ์เชษฐาพูดขึ้นอย่างอึดอัดพร้อมกับถอนใจ ผมเองกับชายยันก็มีความคิดอย่างคุณนั่นแหละครับเราได้ยับยัง้งห้ามปรามเขาไว้แล้วนับครั้งไม่ถ้วนและทะเลาะ ก, กันทุกทีแต่เขาไม่ยอมเขาเป็นคนดื้อรั้นที่สุดต้องการจะร่วมทางไปให้ได้เห็นจะไม่มีทางสกัดกั้นไว้ได้หรอกครับคุณลพินน้องสาวของผมคนนี้เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรลแล้วลงท่าเขาคิดจะทาอะไรเขาต้องทาให้ได้เขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันในกรณีที่จะไปตามหาพี่ชาย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 และในขณะนี้ขณะที่เขาก้าวเข้าไปศูนย์ปืนดูเหมือนจะจับดิ่งมาที่เป้าหมายหัวใจของเขาพอดีรอนหัวรอด้วยเสียงกล้าวต่ำแล้วก็สายปากกระบอกทำเป็นเล็งเลยหัวเขาไปเสียจอมพรานถอนใจเบาๆหม่อมราชวงศ์หญิงคนนี้นี่ร้ายกาจ เ, เรื่องจริงๆดูจะร้ายเสียยิ่งกว่าเจ้าเสือดำที่หลุดกองเมื่อวานนี้หลายเท่านักเขาบ่นอยู่ในใจอย่างลาคาน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 แต่อธิบายถึงแผนเดินทางต่อไปหนึ่งอาทิตย์ให้หลังทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมสัรพทนายไปจำตระกูลวราริ์ได้ร่างสัญญาขึ้นฉบับหนึ่งเงื่อนไขถูกต้องตรงกันกันกบข้อเสนอตามต้องการของรพินภัยวันทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมกับหม่อมราชวงศ์เชิฐาก็มอบเช็คฉบับหนึ่งราคา20บาท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 แล้วก็ขยับขยายมาเป็นสถานีกักสว์ปลูกสร้างบ้านพักขึ้นในเวลาต่อมาพวกบรรดาชาวป่าและผานทั้งหลายที่ท่องเที่ยวผ่านไปพอเห็นดีด้วยก็จึงรวมหัวกันทยอยอพยพมาตั้งหลักแหล่งทาวรนกลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆขึ้นโดยยกย่องให้เขาเป็นนายบ้านด้วยความนับถือเคารพจากอัธยาศัยไม่ตีจิตและความเผือแผ่กว้างขวางของเขา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 จึงเปรียบเสมือนเป็นอาณาจักรของเขาเองคณะเดินป่าจากกรุงเทพถูกเชิญให้พำนักอยู่ในเรือนหลังใหญ่ซึ่งสร้างด้วยสุงทั้งต้นคล่อมอยู่บนทาน้ำใสเล็กๆที่มีต้นทางมาจากขุนเขาใหญ่ภายใต้ร่มเงาของไส ย, ยักษ์บรรยากาศรอบด้านสวยสดรื่นร่มไปด้วยธรรมชาติของป่าแท้จริงตัวเขาเองย้ายไปนอนอยู่ที่เรือนหลังเล็ก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 และเบียร์เป็นหีบผีบขึ้นไปจนกระทั่งเต็นและเตียงสนามตลอดจนเครื่องนอนต่างๆมันนอกเหนือไปจากบัญชีของจําเป็นที่เขาสั่งให้นายอําพลช่วยจัดทําให้โอ้โหอะไรกันนี่ของพวกนั้นกันไม่ได้สั่งเลยนี่วามันมาได้ยังไงพรานใหญ่ร้องออกมาขมวดคิ้วขณะที่พนักงานขับรถและคนงานของนายอําพลช่วยกำลําเรียงของลงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ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 แต่ท่านผู้อำนวยการบอกให้พวกผมขนมาบอกว่ารายการสั่งเพิ่มเติมเป็นคำสั่งของคุณผู้หญิงคนนั้นแล้วนายผินก็หัวเราะอย่าว่าแต่ไรเลยครับขนาดเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวของเธอก็เข้าไปตั้งสองหีบเปลกใหญ่ๆแล้วคุณผู้ชายสองคนนั่นน่ะไม่เท่าไหรหรอกเรื่องการจัดการสั่งของทั้งหลายเป็นของคุณผู้หญิงทั้งนั้นจอมพรานทาท่าเหมือนจะเป็นลมยกมือขึ้นกลุ้มขมับ พูดอะไรไม่ออกได้ตะกรอกตาขณะนั้นหม่อมราชวงศ์เชีฐาและชายยันก็เดินเข้ามาสมทบตรวจของพอเห็นสิ่งของไม่จําเป็นอันเหลือเฟือต่างๆก็ทําหน้าเยงงงงไปหมดเหมือนกันพอดีกับที่เสียงตะโกนเจ้าเจ้าของหม่อมราชวงศ์ดารินผู้ยืนอยู่บนระเบียงบ้านพักร้องสั่งคนงานให้ขนของเหล่านั้นลงด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหีเ่เปลกเครื่องใช้ส่วนตัวของหล่อนสองใบ